ขีขาบทวิพัง934คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าพิกษซนีพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงเหล่ามาตุคามที่อุปสมบทแล้วคำว่าสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันคือเมื่อรูปหนึ่งนอนอีกรูปหนึ่งก็นอนต้องบำบัดป่าจิตตีหรือนอนพร้อมกันสองรูปต้องบัดป่าจิตตีทั้งสองรูป ลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องเอาบตดปาจิตตี